ถ้านั่งพักตับเฉยเนี่ยมันก็จะไม่มีสติเพียงพอมันก็องคองตัวเองไม่ได้สักพักมันก็หลับสับพักมันก็ง่วงสัพักมันก็คิดสัพักก็ไหลเพราะมันยังไม่มีที่รองรับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามทำให้ชัดไว้เหมือนเราเรามาปรับให้มันแน่นๆอยี่พื้นศาลานี่ยโอ้จะมานั่งได้ยีน่นี่ย ปรับมาหลายรอบตั้งแต่ทม่ดินตั้งอัดดินตั้งแต่เทดินเททรเทซีเมนแล้วก็มาปูกับเบือ้องกวมันจะแน่นได้ใจของเราที่มันประสานสั้นเซนไปแต่ละวันเหมือนเม็ดหินเม็ดทรายเราก็รวมเข้ามารวมเข้ามาพอรวมเข้ามาแล้วมาทุบมาตอกมาแน่นนะ ทุกแต่ตอกให้มันนั้นก็ยังไม่น่าใช้ก็ต้องมาเทซีเมนต์เทคอนกรีตเทคอนกรีตแล้วก็ยังใช้ไม่ได้อีกก็ต้องมาปูก็เบื้องปูกระเบื้องก็ยังใช้ไม่ได้อีกต้องมาเช็ดมาถูเห็นไหเมื่อเราทำกับที่เราแค่นั่งทางกายเฉยๆเนี่ยต้องใช้ความพยายามขนาดนั้นจิตของเรามันก็ยิ่งยิ่งทํามากกว่า น, นั้น ว่าการที่จิตของเรามันกระสานสร้างเส้นไปกับเรื่องราวต่างๆอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องของเราบ้างเรื่องของเขาบ้างเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องสามีภรรยาเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องการเรื่งานเรื่องเจ้านายเรื่องลูกน้องเรื่องคนชายเรื่องคนอะไรกระสานสร้างเส้นไปแต่ละวันท <value. S 2> ําให้จิตของเรามันมันไม่มีไม่มีหลักอ่ะพอมาภาวนาเนี่ยเราเริ่มเริ่มตอกหลัก การยกมือนี่เป็นการตอกหลักตอกหลักที่ระดับหลักเหกมือนกับเราสร้างบ้านขุดฝังขุดเสาฝังเท้าต้นละต้นละต้นเศร้าหลังนี้ก็จะตั้งอยู่ได้นะเสาต้องยี่สีบสามสิบต้นนะอันนี้เหมือนกันสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวหลักที่เราจะต้องตอบไปใช้ความเพียรความเพียรฝึกตอลงไปทําลงไปตอกไปซ้ําๆ ช่วงใหม่ๆแล้จะเกิดความอึดอัดความหมุดหิดความลำคาญความขี้เกียจเพราะอะไรเพราะมันเคยไปแล้วมันไม่ได้ไปใช่ไหมมันเคยไหลแล้วไม่ได้ไหลมันจะอึดอัดแต่เราก็ทนเราทนทาไปทนทำยกไปเรื่อยๆเปอย่างนั้นแหละเขาเรียกบำเพ็ญวิริยะบาามีไปก่อน เรามาบำเพ็ญบา ร, รมีทีละตัวละตัวนให้ทำให้มันถูกทำให้ฝึกต้องนี้ก็ เ, กเป็นสัจจบา ร, รมีเราทนเห็นตัวเองไม่ได้ที่ตัวเองเป็นทุกข์ตัวเองฟุ้งซ่านตัวเองเดือดร้อนอตัวเองไม่สบายเนี่ยเราทนไม่ได้ที่เราก็มาแก้ไว้จะทำให้มันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนทำใมันสบายทำอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านบอกเขาว้ว่าจะต้องมีการให้โอกาสกับตัวเองให้เวลากับตัวเองก่อนนะดัมเบลแรกนะทุกคนเนี่ยให้เวลากับตัวเองที่เนี่ยห้า ว, วันเจ็ดวันอันนี้ก็เรียกว่าบําเพ็ญการให้ให้โอกาสให้เวลาแก่ตัวเองเรียกว่ามาบําเพ็ญทานบารมีคือการให้เวลาให้โอกาสแต่ทานบารมีที่เรารู้จักนันก็คือให้สิ่งให้ของให้วัตถุ อันนั้นก็เป็นทานอีกแบบนึงแต่ทานที่จะเป็นบารมีเขาเรียกว่าเป็นอุปปารมีปรมัตถบารมีให้เวลาให้โอกาสกต่ตัวเองเราไม่ค่อยให้เวลากับตัวเองเราเอาเวลาไปให้คนอื่นหมดเอาเวลาไปให้ลูกให้สามีไปให้ภรรยานะเอาเวลาไปให้เจ้านายเวลาไปให้พ่อให้แม่เอาไปให้คนอื่นหมดไม่เคยให้ตัวเองเลย กนะารให้ตัวเองเนอี่ก็เรื่ออุปปารมีการให้คนอื่นก็เรื่องฐ า, านะปารมีแต่พอให้ตัวเองเป็นฐานะอุปปาลมีทานให้นี่ดีกว่ายิ่งกว่าให้โอากาสตัวเองได้มานั่งอย่างสงบให้โอกาสตัวเองให้มาเดินอย่างสงบให้โอกาสกัวเองให้มายืนอย่างสงบนี่จะว่าฐานะธรรมะ อ, อุปปาลมี พอให้อะไรให้ความคิดออกไปความคิดที่มันคิดเนี่ยสลัดมันออกไปให้มันออกไปเหมือนกับเราไปวิจาเหมือนเราไปถอนหญ้าดึงมันออกไปคนนั้นเอาเอาโป่กนั้นออกไปไปวิจาเนี่เอาน้ำทิ้งออกไปทิ้งออกไปไม่ให้น้ำเก่าเข้ามาเอาน้าใหม่ไม่ให้น้ำใหม่เข้ามาเอาน้าเก่าออกไปนี่เรียกว่าปรามรปราภพารมีคือ เอาตัวดีที่สุดอะตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานเนี่ยเป็นของสูงเขาเรียกปรมาจารย์ให้โอกาสเข้ามาแล้วเอาของที่มันต่ำๆเที่ยวๆออกไปเอาความคิดความรักความชอบความอิจฉาเพียบบาทความหึงหวงความขี้เกียดความอัดขัดเครื่องพวกนี้ของต่ำเ อ, เอาออกไปนะเอาของสูงเข้ามาของสูงคืออะไร ศีลคสมาธิปัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพวกนี้ความขยันมันเพียนความเอื้ออารีความมีน้ำใจให้มันเข้ามามีเขาเรียกปรามัทบปรมีเพราะนั้นเบื้องแรกที่สุดคือมาบำเพ็ญทานโอกาสให้โอกาสกับตัวเองนะให้เวลากตัวเองได้มายืนมาเดินมานั่งมานอนอย่างสงบทำ พอเราให้โอกาสตัวเองมานั่งแล้วเราก็จําเป็นต้องมีศีและปรามีศีละปรา ม, มีแปลว่าเรามาอยู่อย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบเดินอย่างมีระเบียบนั่งอย่างมีระเบียบนอนอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเราจะไม่ทําตามใจตัวเองเราจะทําตามระเบียบทำตามความเหมาะสมมี่เราก็เป็นศีลมีศิลปะนะนั่ง ก็มีศิลปะในการนัง่งการลุกก็มีศิลปะในการลุกขึ้นแต่เราอยู่ที่บ้านอยากจะลุกก็พรวดอยากจะไปก็ตุ๊บไปเลยใช่ไหมอยากจะกินก็ไปมันไม่มีระเบียบเรื่อไม่มีศีลศีลแปลว่าระเบียบศีลแปลว่ากติกาศีลแปลว่าข้อคนระวังข้อสำรวมระวัง อ, อยู่ที่บ้านเราจะพูดจะคุยกันี่ลงชงเชงตะโกนบ้างร้องบ้างไม่มีระเบียบ แต่พอมาที่นี่เราจะพูดเบาๆและพูดเท่าที่จําเป็นนะที่ว่าในช่วงที่เราเริ่มมาปิดวาจาคือหมายของปิดวาจาไม่ได้หมายพูดไม่พูดนะพูดน้อยๆที่จําเป็นไหนที่ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่พูดในสิ่งไหนที่จําเป็นต้องพูดเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์ก็จะเรียกว่ามาจัดระเบียบทางกายด้วยการรักษาศีลทีนี้ อันนี้เป็นดุลพันธ์มีอันที่สองละคือมันจัดระเบียบกายวาจาคือมันสวยงามไม่เป็นระเบียบไม่ทําอะไรตามใจไม่พูดตามใจไม่คิดตามใจมีระเบียบนี่เรียกว่าได้สี่ดุลพันมีได้ปรมีตัวที่สองละประมีตัวที่สามเนคขมมะประมีเนคขมมะแปลว่าอะไรนคขมมะแปลว่าออกจากบ้านจากเรือนมา เอยู่ที่บ้านที่เลือนต้องคุกขี่ตีมงกับุฎกับโวกับเมียกับพี่กับน้องกับกันเราครุกขีอยู่ในความวุ่นวายเราออกมาสักพักหนึ่งห้าวันเจ็ดวันการที่เราออกมานั่งมายูนมาเดินมานอนที่ที่ไม่ใช่บ้านของเราเนี่ยที่ที่ไม่ใช่เลือนของเราเรืามมา่องเนกขมวะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยออกจากเมียงจากวัง เข้ามาสู่ป่าสู่เขาสู่ถ้มสู่เหวจนกระทั่งท่านได้ได้ทําลายความทุกข์ความลําบากของท่านได้ทําลายความเดือดร้อนทําลายความกิเลสตันหาวประธานได้แล้วท่านก็เอามาเผื่อเราเผื่อเราสามพันปียังไม่หมดเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาให้เราเนี่ยไปใช้มาสามพันปียังไม่หมดเลยเนะีน่ยคำว่า แค่นี้คำว่าอุปปารมีนอกจากออกบ้านจากเรือนออกจากความเคยชินเช่นเวลาเราเคยชินจะไปกินไปเล่นไปเสพไปสุขกับเรื่องนั้นเคยกินสามมื้อก็ให้มาเหลือมืมม้อหดึหรือสองมื้อเคยนอนแปดชั่วโมงก็มานอนสักสี่ห้าชั่วโมงเคยทําอะไรที่เคยชินมันสะดวกสบายนะเราไม่ทําตามมันนี่เขาเรียกมาออกจากอกิเล ขันยับยาวแล้วก็ประมัตถะในธรมะปรามัตถะป ร, ะ ม, ประมีมาออกกิเลสอย่างละเอียดเช่นออกจากความคิดที่ไม่ดีอย่าไปเวลามันคิดอะไรมาแล้วก็อย่าไปเข้าไปออกมาซะในระธรมะแปลว่าออกออกมาจากความคิดทั่นเ้งออกมาจากความคิดที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลมาอยู่กับความคิดที่ดีๆที่ออกมานะได้สามตัวละ เราออกมาจากบ้านจากเดอนจากพี่จากน้องจากลูกจากห้านจากทรัพ์สมบัติออกมาจากรถจากลายจากการค้าการขายจากการจากงานออกมาได้ที่เรียกว่าเรามีเนคขมภรมีมาอยู่ที่เราไม่เคยอยู่นี่ยากนะคนมึงไม่สดมีเท่าไหร่ เป็นร้อเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราออกมาได้แค่นี้แล้วก็เป็นยอดคนละถ้าออกมาแล้วก็ต้องทําให้ดีละมาทําเล่นๆไม่ไดนะ้แต่สําหรับคนที่ไม่สบายเราก็อนุโลมให้พักได้บางครั้งนะบากคนยังป่วยอยู่นะมาแต่สุขภาพไม่ดีนั่งนานไม่ได้มันง่วงมันหลับมันเครียมันเบื่อมันเซ็ง เสุขภาพไม่ดีหรือเจ็บป่วยอันนี้ก็สองสามวันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอรู้สึกตัวก็พยายามนั่งตัวให้ตรงหายใจให้ลึกจัดระเบียบเสื้อใหม่อย่างนี้เป็นต้นเป็นเนคขมะปรามีแล้วนี่ข่ำแล้ว่าอาจารว่าเนคขมะนิคขมะออกมาออกมาจากบ้านจากเรือนปรามีตัวที่สี่เขาเรียกว่าปัญญาบรารมีอตัวนี้สําคัญ ปัญญาหมายถึงว่ารู้กาลเทศะรู้จักอันไหนที่เป็นประโยชน์อันไหนไม่ใช่ประโยชน์รู้อันไหนควรหรือไม่ควรนี่ใช้ปัญญาปารมีคนเราส่วนใหญ่ก็ทําอะไรก็ทําตามความคิดทําตามอารมณ์ทําตามความอยากไม่ได้ทําตามสติปัญญาเราก็มีปัญหามีความทุกข์ไป ทําทให้คนนี้ลําบากใจคําพูดของเราไปทําให้คนนั้นลำบากใจการกระทําของเราไปทําให้คนนั้นไม่สบายใจความคิดของเราทําให้ใจของเราไม่สบา ย, น, ยนี่เราใช้ปัญญาเราก็เหมือนกับเราใช้ไฟเนี่ยเวลาเราหมืดมาอเวลาหมืมดมาเอ๊จะทํำให้มันสว่างอย่างไรนะเราก็ไปหาชวิตไฟเจยชวิตไฟเปิดความมืดหายไปอันนี้เวนกัน ใจิตใจของเราที่มันเคยทุกข์เคยมืดเคยมัวเคยกลัวเ ค, เคยเคยเงยแรงต่างใจิตใจของเราขุ่นมัวแล้วก็หาสวิตไฟสวิตไฟคืออะไรสวิไฟคือสติคือสติไฟคือคือตัวสมาธิที่อยู่ในสายไฟไฟที่อยู่ในสายคือสมาธิปัญญาก็คือมันให้แสงสว่างนี่ตอนแรกเราจะมีสวิตท่ก่อนไม่มีสวิตสวิตปิดเปิดนะ นะสติก็คือมาสร้างรู้สึกตัวนี่นะนีม่มาสร้างตัวสติให้รู้สึกกายกับใจไปด้วยกันถ้ามันไปคนละทางนี่ไม่ใช่นะกายยกมือตรงนี้ใจไปไหนไม่รู้ใจไปคิดตัวนี้นี่เรียกว่ามีสวิตแต่ว่าเปิดไม่ออกบางครั้งเปิดสวิตเหมือนกันไหมไฟไม่ออกมีไหมมีนเอ๊ะทำไมไฟไม่ออกไฟไม่มีแล้วมีไฟมีทําไมวาโอ้หลอดมันขาดผู้หลอดก็มีสวิตก็มีอ๋อสายมันขาด เห็นไหมถ้าความเชื่อมต่อของสติสมาธิปัญญาเชื่อมต่อไม่ถึงกันมันก็ไม่เกิดปัญญานะเออเราทำอยู่ยกมือตรงนี้แต่ใจไม่อยู่ตรงนี้ <c oughs> ใจไปเที่ยวตีดหละลากนุ่นใจไปคิดถึงลูกใจไปคิดถึงงานใจไปคิดถึงเพื่อนนี่แสดงว่ามันมีแต่สายไฟแต่ไม่มีไฟเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกละแสงสวา่าง ณนะนะขณะที่เรายกเนี่ยเรามีสองจังหวะนะจังหวะเคลื่อนจังหวะหยุดเคลื่อนไปหยุดเคลื่อนหยุดนะมีแค่สองจังหวะแต่มันหมุนต่ อ, อกันไปเรื่อยๆนะตอนแรกหยุดใช่ไหมเคลื่อนแล้วไปหยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดนะการที่เราเคลื่อนข้างหนึ่งรู้หยุดข้างหนึ่งรู้นะั้นสติมันเกิดตรงนั้น สติสัญยาเสมเกิดตรงที่ว่าเคลื่อนรู้หยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้แต่ถ้าเคลื่อนก็ไม่รู้หยุดก็ไม่รู้นะี่ยสติสัมญ า, ยามเกิดไม่ได้อะเกิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มารู้ต่อการเคลเื่อนการหยุดด้วยแล้ก็ทําไปด้วยใจเราไปไหนืออันนี้ไม่มีนะไม่มีสติสัมยาล ม, มีแต่ความเคยชินอันนี้เหมือนสายไฟมีอยู่แต่ไม่มีไฟพเพราะอะไรเพราะไม่รู้ เวลายกให้รู้สึกยกเคลื่อนให้รู้สึกเคลื่อนเขาจารู้สึกก็คงจะรู้นะรู้สึกว่ามันหนักมันเบาใช่ไหมยกขึ้นรู้สึกหนักวางรู้สึกเบายกขึ้นรู้สึกเคลื่อนยืดรู้สึกบิ้งการตามรู้ไปอย่างเงี้ยทีละนิดทีละนิดทีละนิดโยมเคยปลูกต้นไม้ใช่ไหมเคยเห็นไหมว่าต้นไม้มันยืดปื้ เหมือนไก่ต้นไม้ในกาดตุ่นหรือไม่นะเรานั่งดูมันทั้งวันก็ไม่เห็นมันขึ้นอย่างไรนะแต่พอเผื่อมันช่วงหัวเราแล้วใช่ไหมแต่เราเคยเห็นมันยืดไหนไม่เคยอันนี้เมืันกันพอเรายกไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกมันไม่รู้อะไรนะพอยกไปเรื่อยๆมันเริ่มรู้ละเือเมื่อก่อนเราไม่รู้ใจมันคิดเดี๋ยวนี้เริ่มรู้เมื่อก่อนไม่รู้นะใจมันคิดดีคิดชั่วไม่รู้มันไปของมันเรื่อยๆ อ๋อเดี๋ยวดเริรู้เนี่ยมันจะเริ่มรู้ไปทีนิดๆได้จริงแหละแต่ตัวขยันรู้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นวิริยะปารมีขยันรู้ขยันเจ็บเวลาจะลุกจะนั่งนี่ก็ตั้งใจก่อนไอ้การตั้งใจก่อนแล้ค่อยลุกนี่เขาเรียกวเป็นตัวสัจจปารมีนะสัจจคือการตั้งตั้งใจตั้งใจแล้วค่อยลุกขึ้น อ, อย่างนี้ กคือตั้งใจยืนเพราะนั้นทุกๆขั้นตอนก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นเพียงแต่มีสติลุกขึ้นนั่งลงในช่วงที่ลุกขึ้นนั่งลงเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกแล่นั่งปนานานัญญารู้สึกหนักใช่ไหมหนักปวดขาแต่พอลูกขึ้นรู้สึกเออมันเบาก็รู้ว่ามันเบาเพราะนั้นไอ้ตัวเล็กๆ น, น้อยๆเหล่านี้ถ้า เรามองข้ามไปหมดเราก็ไม่ได้อะไรนะเหมือนเงินนะไม่ใช่เอาเทียแสนละล้านไม่เก็บไปทีละบาทสองบาทสิบาทยี่สิบบาทห้าบาทสิบาทไปเรื่อยๆนี่มันจะเก็บไปทีละนิดหน่อยเก็บไปเก็บไปมันก็เป็นก้อนเป็นกลุ่มมากขึ้นมาขึ้นเราหาเงินวันละหบาทสิบาทวันร้อยสองร้อยวันละพันสองพันรวมกันหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอันนี้เหมือนกัน เรายกไปทีนิดๆนิ ด, นดวันหลายครั้งนาทีหลายครั้งทั้งหมดมันนี่เท่าไหร่นะดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 12 สามสิบสี่สิบห้านะชุดถึงได้สิบห้าในสิบห้านี่มันมีทั้งหมดสิบห้านี่เป็นการหยุดหรือการเคลื่อนที่สิบห้าครั้งเนี่ยบอกว่าในมันมีสองอย่างคือหยุดกับเคลื่อนใช่มสิบห้านี่เป็นหยุดหรือเป็นเคลื่อนสังเกตไหมหนะยุดใช่ไหมเคลื่อนเขาจะมีเท่าไหร่เคลื่อนมีสิบสี่ใช่ไหม หยุดมีสหใช่ไหมเรานับหนึ่งอันนี้หยุดนะสองเคลื่อนสหยุดสเคลื่อนห้าหยุดหเคลื่อน7หยุด8ปเคลื่อนเก้าหยุดส0เคลื่อนส1หยุดส2สองเคลื่อนส3หยุด สี่เคลื่อน1ิห้ยุดสิเคลื่อนสิหยุดปเคลื่อนสเก้หยุดสเคลื่อน21หยุดสองเคลื่อนยหยุดยสเคลื่อนยีห้ายุดยหเคลื่อนยี็หยุดปเคลื่อนยีสเก้าหยุด นั่นแต่ละครั้งมันได้ถึงยี่สิบเก้าจุดเลยนะยี่สิบเก้ายูนิตอะแต่ละครั้งดป็นความถี่ของมันแต่ที่เหายใจเข้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกายใจเข้าหายใ จ, ใจมีการหยุดกี่ครั้งหายใจเข้าครั้งหนึ่งออกครั้งหนึ่งมีการหยุดกันเคลื่อนกี่ครั้งเคยสังเกตไหมลองดูคุณไอ้สีหายใจเข้า อาจะออกอยู่ที่ข้างกอที่ข้างจำไม่ได้เลยแสดงว่าคุณสังเกตไหมว่าฐานจะเข้ามีื่้นที่ข้างอยู่ที่ข้างืึนสองแล้วหยุดอ่ะอีกสองขึ้นตอนไหนอยู่ตอนไหน เคลื่อนตอนข้าออกแล้วหยุดตอนไหนอยุดตอนออกกับตอนเข้าเคลื่อนตอนเข้าไปคืออกหยุดไปแสดงมีสี่ใช่ไหอมีสี่ 4. เนี่ยความถี่มันมีแค่สี่นะแต่ถ้าเรามาเคลื่อนไหวแบบสร้างเ ย, ยวะความถี่มันถึงยี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นความถี่มันสูงมากไฟของเราถ้าความถี่มันต่ามันจะเป็นไงก็พริบหรือไม่สว่างใช่ไหม แต่ถ้าความถี่มันสูงไปไงมันจะสว่างนิ่งไงนะความถี่มันสูงจิตของเราเหมือกั น, กนถ้ามีความเร็วที่ความถี่สูงในจิตของเราจะนิ่งแล้วก็สว่างสวัยหมายถึงปัญญาถ้าหากว่าความถี่มันต่ําเหมือนเรานั่งความถี่ต่ำเนี่ยหายใจคอมันนิ่งข้างเคลื่อนนิ่งเคลือค่อนช้าๆเนี่ยความถี่มันต่ําเพราะนั้นพวกที่เป็นสมถะ จึงพวกจะไปติดหลับติดห่ว ง, ต, งติดเน่าติดบื่อติดเสงติดขี้เหยียดนพวกที่สมถะก็จะไปเป็นอริยะภูมิไม่ได้ไปแค่ภู ม, มภูมิเทวภูมิมมภูมิภูมิแต่ไปอริยะภูมิไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้เพราะอะไรเพราะแสงสว่างปัญญามันไม่พอโยมจะเอาแสงสว่างของเทียนซึ่งความถี่ต่ำไปหาของละเอียดได้ไหมไปส่องหาของกลางคืนน่ ะ, ะไม่ได้ แสงสว่างไม่พอใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งของละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้ความถี่สูงใช่ไหมเราถึงใช้เป็นพันโบนใช้สปอตไลท์อ่ะเวลาไปหาของเวลาไฟฉายมันอ่อนไปไงเราก็ต้องไปชาร์จไใช่ไหมเพราะอะไรถ้าไม่ชาร์ความถี่ไปนไงต่ำลงเรื่อยๆยิ่งต่าแสงก็ยิ่งอ่อนไปเรื่อยๆในความถี่มันต่าแต่ถ้าหากว่ายิ่งไฟสูงความถี่มันสูงก็สว่างเหมือนแต่ในนี้ก็เหมือนกันเราทําให้รู้ทุกจุดไปยหยุดส่วนรู้ ความถี่ของความรู้มันใช้คำฟรีวนะ้นซี่เนี่ยความถี่ของความรู้สึกตัวมันจะสูงนะไฟแต่และดวงเนี่ยรู้ไหมว่ามันหมุนกี่พันรอบต่อวินาทีไคเป็นช่างไฟฟ้ามันกี่พันรอบต่อมิทที่มันสว่างหนึ่งพันรอบต่อหนึ่งรอบต่อหนึ่งแรงเทียนนะหนึ่งรอบต่อหนึ่งแรงเทียนถ้าหนึ่งพันรอบก็หนึ่งพันแรงเทียน สามพันรอกับสามพันแงเทียนสามพลอบจป็นสปอร์ไลทเลยนะที่สูงนี่เหมือนกันหนึ่งแรงเทียนคือเทียนเริ่มนึ่งเนี่ยเขาเรียกแรงเทียนคือเทียนเล่มหนึ่งที่หนึ่งแรงเทียนเทีย น, น, น, อ น, ยนสองเล่มสามเล่มไปไปใสกี่แรงเทียนกี่โวลต์กี่วัตต์ว่าเราใช้คำว่าแรงเทียนถ้าแรงเทียนต่ําเป็นไงมันจะง่วงใช่ไหมคุณไหนง่วงๆหมายก็ว่าแรงเทียนต่ําำละทำงานให้มันแรงเทียนสูงขึ้นต้องปรับความรู้สึกตัวให้แร ง, แรง ความเทะความความทีสูงขึ้นมันก็จะตื่นตัวพราะความทีต่ำลงอีกหาง่วงอีกแ ล, ล้วเขาปรับไปกนี่เห็นไหมเพราะความทีต่ำมันจะง่วงจะเหงามันจะเบือ่อขี้เกียจมันจะหลับพวกนี้เขาเรียกความทีต่ำเพราะความทีต่ําสติก็เป็นไงต่ําสมาธิเขาเป็นไงต่ําปัญญาเป็นไงก็ต่ําไปด้วยแต่ความทีสูงสติก็ มีพลังสูงสมาธิมีพลังสูงปัญญามีพลังสูงมันก็สว่างสวัยใช่ไหมดังะะนั้นเลยว่าการเคลื่อนไหวทําไมจึงปฏิบัติได้ไหวหลวงก็เทียนบอกว่าทําอย่างช้าที่สุดไม่เกินสามปีความทุกข์จะลดลงรู้ล ง, ล ง, ล ง, ลงจนหมดไปอย่างกลางตั้งแต่หนึ่งปีตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่หนึ่งปีถึงสมปีอย่างกลา ง, ง, ง, 1, อ, ง, 1, 1, 1งอย่าง เร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึงสามเดือนความทุกข์ต้องลดลงเพราะนคนไหนที่รู้ตัวว่าความที่ตำ่ำาขาต้องเขย่าตัวเองให้ตื่นบ่อยๆเพราะความที่ตน่นมันจะ ง, ง, ง่วงเหงาอยู่งนนะ่ะเรียกว่าสติสมาธิปัญญามันอ่อนตัวเราก็ต้องมาสปีดมันนะอันนี้คือวิธีการที่หลวงพ่อกาลังอธิบายถึงว่าทำไมเราทั้งที่ใช้วิธีการเคลื่อนไหวนั่งนิ่งๆไม่ได้เลย เออนั่งนิ่นั่งขึ้นไหวไม่นี่จะเป็นสมาธิได้อย่างไรแต่เราจะเอาอะไรปฏิบัตินี้เราจะเอาสติสัมปชัญญนะนะเขาเรียกเอาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่เอาความสงบไม่เอาความหลับแล้วนั่งหลับมานานแล้วเนี่ยมันยังไม่หายโกรธเลยไม่หายโลภไม่หายหลงเลยนั่งหลับมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็หลับต่อไปมันก็จะเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหขี้งุดงิดขี้ฟุ้งซ่าน นั่งหลับไม่หายหลวงพ่อเทียนท่านเล่าประวัติท่านบอกว่าท่านเคยนั่งสมาธิตั้งแต่อายุสิเบเดมาถึงอายุ4ี่สบกท่านบอกโมโหอยู่เลยเวันหนึ่งแฟนบน่นเออไปทอดกระถินมาแล้วอ่าบอกแฟนว่าเธอเป็นคนดูแลเรื่องค่ า, ชาใช้จ่ายฉันจะเป็นคนรับแขกวันนั้นทอดวินนั้นทอดกระินห้ากองหลวงพเทียนนะ สมัยท่านไปเครื่องหัดอายุ46ทอดกระถินเพราะมีวัดต่างๆเพราะท่านเป็นคนมีอันจะกินนะ่ะพอถึงเวลาวัดไม่มีกระถินก็จะไปขอขอกระถินบ้านพ่อใหญ่เทียนนี่แหละแล้วมีคนอันดีเพราะเป็นคนค้าระหว่างเนไทยกับเมืองลาวใช้เรือกลไปสมัยนั้นนะ่นะนะก็มีอันจะกินมีเงินมีทองเพราะงั้นเถอด ท่านก็เคยทำพุดโธ ท, ทำแบบหนามาตั้งแต่อายุสิบเ็ดถึงอายุสี่สิบหกวันหนึ่งพอเมาเกิดปัญหาก็คืออ่พองานกระถิ่นมานอกเนาะจัดงานสามวันสอคืนนะมีหมอลำามีลำวงมีวงดนตรีอะไรที่ชาวบ้านหามาทีนี้พอเฉดงานแล้วพวกหมอลำาเข า, ขาก็มาทวงเงินค่าแสดงทีนี้ว่าน้องพ่เทียนท่านมีนะท่านเป็น ชาวบ้านท่านมีหน้าที่รับแขกท่านมัน ม, มีที่เก็บเงินได้อจ่ายเงินแต่แม่บ้านเป็นคนเก็บเงินจ่ายเงินแต่พวกมองเราไปทวงกอเพ่อเทียนพ่อเทียนก็เลยโอ้โหเสียหน้ามากเราไม่มีเงินให้เพราะท่านไม่ได้เลี้ยเก็บเงินเออตกหลงกับแม่บ้านไปแล้วเราไปต้องเป็นคนจ่ายเงินแม่บ้านเขาลืมยังไงไม่รู้นะพอเท่ากระถี่เสร็จท่านก็เอาเรื่องนี้มาบ่นกับแม่บ้านดิทําไมหน้าเราตกลงกันแล้วทําไมต้องให้พวก มาลองมาลมาขอตังค์เงินฉันเลยให้เขบ่นอยู่เงี้ยนะในบ้านโอ้ยังไม่ลืมเหรออุ๊ยสียดายนะท่อเรือถิ่นมาห้าวัดนี่ยังตกนรกเลยพ่อใหญ่ยังไม่ได้สวรรค์เลยเงี้ยคือตกนรกคือโกรธอยู่คำว่าโกรธนี่คือตกนรกแล้วนะใครเคยตกใครเคยโกรธบ้างยกมือขึ้นแสดงว่าเคยตกนรกมาแล้วใช่ไหมแสดงว่าเป็นไงร้อนไหมตกนรกตอนนั้นแล้วโกรธใจมันร้อนใช่ไหม อเราตรงนรกมาทุกคนเราโกรดเพราะอะไรเพราะเราไปนั่งสงบแล้วมันทําให้กดกดความคิดเอาไว้กดความอะไทุกสิ่งอย่างกดกดกดเอาไพรกดยิ่งกดมันเป็นไงมันก็ยิ่งดันดันก็แล้วเบื่อใช่ไหมเหมือนกันจิตของเราอย่าให้มันไปกดมันให้มันระบายไปเรื่อยๆให้ระบายกับการเคลื่อนไหวเนี่ยบางคนอดทนได้นะเวลากดทนได้ แต่ว่ามันกดเอาไว้อะกดไว้มากๆจากขันตีก็กลายเป็นวันหนึ่งกลายแตกบุ่มขึ้นมาเป็นขันแตกมันระเบิดถ้าเบิดที่ระเบิดอะงรเขาใช้แงรงกดแรงอัดนะตำอยู่งั้นอัดอยู่งั้นนะเหมือนกันถ้าคนไหนเก็บกดมากๆคุณนั้นเวลากดก็โตแรงใช่ไหมถึงฆ่าฟันรันแทงกันหรืก็มีเพราะฉะนั้นเรามาจเจริญสติแบบนี้เพื่อที่จะเอาตัว คิดที่เรามีอยู่เนี่ยระบายทิ้งออกไปจะไปเก็บมันไว้จะไปกดมันไว้ระบายออกทางไหนระบายออกทางกายเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้ตัวใช่เปลี่ยนความคิดความนึกเป็นความรู้สึกตัวโดยการใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นตัวระบายนะเหมือนพัดลมเราไม่เปิดมันจะมีลมไหมไม่มีพอเปิดมันแก่มันลมมันก็เกิดอันนี้เหมือนกัน ถ้าเราไม่ยกไหมยกมือไม่กาหนดการเคลื่อนไหวมันจะมีตัวรู้ไหมมีเมื่อแต่มันน้อยมากมันลมธรรมชาติมันไม่พอเราเอาตัวนี้มาช่วยเหมือนกันเรานั่งนิ่งๆเนี่ยตัวตัวรู้ตื่นมันไม่พอเราก็เคลื่อนไหวมือช่วยมันพัดลมอ่ะติดพัดลมช่วยมันก็เย็นใจเราก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นความปวดก็หายไปหายไป ต่อมาท่านไปทําอยู่สามเดือนท่านก็เลยหายโกรธนั่นั่นมาเลยท่านบอกว่าถ้าฉันไม่หายความหมงุดหงิดความโกรธไม่หายฉันจะไม่เข้าบ้านฉันจะไปตายเอาดับหนะ้าท่านอธิหารขนาดนั้นเลยนะสมัยท่านหนีออกจากบ้านนะไปสแสวงหาตัวเนี้ยแสวงหาตัวไม่โกรธี่สุดท่านไปทำสามเดือนพอหายว่าโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านบรรลุธรรมแล้ น, นนะ บรรลุหมดเลยกลับมาบ้านเล้เอาตัวเนี้ยมาสอนมาสอนพี่สอนน้องสอนแม่แต่แม่บ้านของตัวเองเออเขาก็เลื่อมใสกันแม่บ้านก็ทําตามแล้วก็พี่สาวน้องสาวมาสอนหมดปรากฏว่าญาติพี่น้องเข้าใจธรรมะกับท่านทีนี้คนรอบบ้านเขาก็อยากจะเข้าใจม้างกลยเชิญท่านไปสอนสอนอยู่สองปีที่บา้ทีเปิดบ้านตัวเองสอนในสมาธิแบบเนี้ย กพอคนก็มาปฏิบัติกันเยอะนะทีนี้ชาวบ้านน่ะเขาไม่ได้บินเทปัดแบบพระใช่ไหม mm hmm. ก็ต้องเอาพวกต่างคนตัวเองซื้อข้าวซื้อของเลี้ยงชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรมเลี้ยงไป mm hmm. เรื่องมาที่อูเดี๋ยวสมบัติจะให้ลูกให้หลานไม่เหลือแล้ว <c oughs> มันบอกเอาบวช ด, ดีกว่าเพื่อจะได้บินเทาบาดเลี้ยงอยู่มาเงินท่านได้ออกบวช ท่านมาเข้าใจธรรมะอายุ46อยู่สองปีถ well ึง48ท่านก็บวชอายุ48หลวงพ่อเทียนนะบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อไม่ใช่มาปฏิบัตินะบวชเพื่อจะเป็นบาลเลี้ยงยมเห็นไหมอันนี้คือความประดานใจว่าถ้าถ้าได้เข้าถึงสิ่งนี้แล้วมันอยู่ไม่ได้อยากจะให้คนอื่นเพราะคนก็โกรธเหมือนกันเกลียนเหมือนกันเห็นคนโกรธคนเกลียดนี่เป็นไงคนสูงแลือคนทุกขเป็นทุกขเห็นคนทุกข์สงสารเนาะ เหมือนกันเห็นคนอื่นโกรธเกลียดเคดขุนโมโหฉุนเฉียวบ่นกั น, นอย่างเงี้ยท่านเห็นว่าท่านเคยเป็นมาก่อนท่านว่าแต่ท่านมาทำอย่างนี้แล้มันหายหมดเลยท่านก็เลยไปสอนสอนไปสอนมาคนที่ตั้งใจทําก็หายจริงๆหายโกรธหายเกลียดหายเคสหายขุนหายโมโหหายชุนเฉียวหายงุนหงิดก็จะมีความสุขมันก็เย็นทีนี้ก็เลยสอนอาตมาไปพบท่านปีพศ2 1 9แต่คนามจริงท่านบรรลุธรรมในท่านบรรลุธรรมพศ2 5 0 0 เค ย, ยพบท่านท่านสอนมา20ปีแล้ ว, ลวก็มาก็ทําตามนะตอนแรกไม่ค่อยเชื่อนะตอนแรกเราเคยนั่งดับตายใช่ไหมดับตายมาห้าปีสิปีมันก็ติดและตีสมุขถ้านั่งกรรมฐ า, านต้องนั่งขาขา้อทับข้ซ้ายมือข้อทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดําร ง, งสติมัน่นกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่เป็นสูตรตายตัวเลยนะเป็นสูตรที่ถ้าใครไม่ทํางนี้เหมือนว่าไม่ทํากรรมฐานพราะนั่งเต่าก็หลับละเพราะนั่งเั่าก็ง่วงละ ก็ทํากันมาจนชินนะ่ะนะทีนี้มันก็เลยไปไม่ได้เนะขาเรียกว่ากรรมฐานที่โกรธสัโดษที่ขอไม่พัฒนานะก็เลยต้องมานั่งทำทำอยานี้ก็ไม่ค่อยสนุกนะเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวคิดเดี๋ยวขี้เกียจเราก็ทําไปเรื่อยไม่ไม่ไม่หยุดกับมันขยันทำนะเพราะฉะนั้นในช่วงสองสามวัน เบื้ต้นเนี่ยเราจะต้องขยับกลับเปลี่ยนธรรมไปเรืเร่องง่วง บ, างงาวบาง้ า, บางเหงาบ้างเบื่อบ้างขี้เกยียจบ้างก็ทวนเอาทุนไปทวนมามันก็จะเข้มแข็งขึ้นนะความร้อนความระอุความอุดอิดความไม่พอใจอยู่ข้างในมันก็ค่อยหายไปหายไปหายไปเหมือนถ้าเราเปิดพัดลมเปิดแอรแตอนแรกมันร้อนในห้องนี้พอปิดพัดลมเปิดแอรอากาศมันค่อยเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นใจของเราเหมือนกันพอขยันทำจิตของเราที่มันอกเคยคิดเคยวุ่นวายก็นีย คุณมัวเนี่ยมันก็ค่อยเย็นขึ้นค่อยสว่างขึ้นเพราะอย่างเดียวยังแต่ขยันทำอย่าขี้เกียจถ้้ขี้เกียจทำเรามันก็ไม่เกิดนะเหมือนกับเรามาชิมของใหม่เราก็ต้องทำเอาชิมให้กินให้อิ่มหละเอาของเก่าที่เคยติดมาทิ้งไปก่อนเคยนั่งแบบไห น, นมาทิ้งไว้วางไว้ก่อนนะลองมาทำแบบนี้ดูเสรยจแล้วมันสบาย รู้ครั้งแรกแมาม า, มาบอกใครรู้มั้ยมาบอกอยู่แม่กันนะพ่ออะไรแม่เราถูกคนดียุ่พ่อแกตายไปก่อนเลยไม่ได้บอกมาเยะบอกอยู่แม่บอกอยู่แม่อยู่สามปีถึงแกจะเอานะ บอกอยากมากเลยคุณถึงแม่เป็นพ่อเราเนี้บอกอยากมากบอกอีสามปีพอ่อแกเอาแล้วที่นี้แกก็เลยสบายจนทุกวันนี้อายุแปดสิบหกแดสิบเจ็ดแกแข็งแรงขึ้นเขาลงห้วยได้สบายอยู่ที่วัดนั่นแหละอยู่บนเขาไม่เข้าบ้านเลยรู้เรื่องนี้แกก็ไปอยู่ที่วัดก็ทำอาหารถวายพระว่างๆเพื่อนั่งป ฏ, ฏิบัติแกก็เลยแข็งแรงบุญช่วยเพื่อรุ่นเดียวกตายหมดแล้ว โอเน้องใหญ่เท่าไหร่น้องแก่จิคนอ่ะตายหมดล้วเดี<ม>๋ยวแกเป็นคนโผลปีใช่ไหมน้องใหญ่จิตคนตายหมดละแต่อยู่เจอที่เป็นคนหผลปีเพออราะละเพราะได้ธรรมะแล้วมันมีความสุขพอมีความสุขแล้วมันก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องอะไรละมันก็าอายุมันก็ยืนใช่ไหมสุขภาพก็ดีไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรนะแต่ว่า ตอนแรกเนี่ยเอายากเพราอะไรเพราะแม่กับลูกมันเชื่อกันยากเนาะกูก็เลี้ยงมึงมาตั้งตีนตาฝาหอยมึงจะมาสอนกูทําไมไม่ <c oughs> มได้เอากงา่ายมันมีที่ถีมนะเยอะแม่อ่าดีนี้แต่พอเราขยันบอกบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนที่สุดเอามาเห็นว่าแกจะไม่เอาแน่เราคงไม่เชื่อลูกเอามาเลยลงทุนพาแกไปหาหลงวงพ่อเทียนเลยนะไปหาหลงวงพ่อเทียนตอนนั้นหรือวัดสนามในหาไปหาหลงวงพ่อเทียนก็เข้าไปหา หลงพ่อเทียนก็ถามแกทันทีว่าโยมในชีวิตในโยมรักใครมากที่สุดเพราะงั้นแกก็ไม่รู้เนะก็ะตกุกฮะรอเนาะรักใครมากบอกรักลูกเจ้าค่ะถ้าลูกเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้โยมเนาะโยมจะเอาไหมถ้าถ้าโยมรักลูกจริงเอาเงั้นอันนี้ลูกชายโยมให้ของดีมาทั้งนานทําไมไม่เอาเพราะงั้นหลวงพ่อเทียนว่าเลยแกร้ อ, องไห้กักเลยนะ เออตั้งแต่นั้นมาตั้งใจเอาเลยนะตั้งของดีที่สุดในะที่ลูกให้เราไม่เอาเรารักลูกจริงหรือเปล่านะก็ตั้งแต่ทําไม่นานเข้าใจตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีทุกเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเป็นแล้วนะเราก็ไปบอกลูกหลานลูกบอกใครก็ตามที่ที่เขามีบุญเขาจะรับไปก่อนคนไหนที่บุญเขาไม่พอเขาไม่ก็ไม่ฟังนะนะถ้าหาก เราเป็นภรรยาแม่บ้านเราก็ไปบอกสามีสามีเขามีบุญเขาก็รับได้จะเป็นอาสามีเราไปบอกแม่บ้านแม่บ้านเร า, ามีบุญเขาก็รับได้ลูกหลานของเราคนไหนมีบุญเขาก็รับได้ก่อนคนไหนมีบุญน้อยเขก็ยังรับคนไหนมีบุญน้อยแล้วก็เพิ่มบุญให้เลยขยันบอกขยันสอนขยันทาคว า, ความดีให้เขาขยันรับใช้เขาเพราะเราปฏิบัติธรรมะเรารับใช้คนปีน <ST da> แล้ใช่ไหมรับใช้อย่างดีเลย <ST. S 1> เยยดี๋ยว <ST. S 1> เขาก็เห็นใจเห็นใจเขาก็ทําตามนะ ฉะนั้นวิธีการก็คือเบื้องต้นนี้ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันได้ผลนะได้ผลแล้วมันจะลดอัตราตัวตนลดทิฏฐิลดมานะความปวดดื้อถือดีมันจะลดลงเบื้องต้นนะเบื้องต้นมันจะลดอันนี้ได้ก่อนถ้าคนไหนปฏิบัติได้ผลมันจะลดความคิดลดความอยากลงลดความถือเนืถือตัวลงมันจะลดลงก่อนแต่ถ้าหากว่าทาแล้วมันไม่ลดลงนะแสดงว่าปฏิบัติไม่ถูก ปฏิบัติแบบนี้แล้วความคิดทั้งลดลงความอยากที่เคย อ, อยากมันลดลงความถือเนื้อถือตัวลดลงนี่แสดงว่าปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติแล้วยังคิดมากเหมือนเดิมยังทุกมากเหมือนเดิมยังอว ด, ดื้อทีดือ้ออวดดือ้อถือดีเหมือนเดิมไม่ยอมใครไม่ลงใครนี่แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกทางต้องมาปรับใหม่นะปรับให้กายกับใจมันตรงกัน ทำนี้ทุกวันทุกวันแลเรามันสบายขึ้นเหมือนเราปลูกต้นไม้อถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ยิ่งใช้เวลาปลูกนานเนาะมันจะขึ้นอันนี้เหมือนกันเรามาปลูกต้นโพนะโพอะไรโพที่ปัญญาปัญญาเพื่อเข้าถึงธรรมหรือ ว, ว่าโพที่ปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงแต่สรู้แต่ต้นไม้อะไรคจริงแต่ต้นอะไรไม่รู้นะ แต่ต้นไม้ที่เ่านไปนั่งแล้วปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมท่านจึงเรียกต้นว่าต้นโพอาจจะเป็นต้นอะไรก็ได้แต่เราสมมติต้นอัสสัตตพุทต้นนี้ทีต้นโพที่เราปูกไม่ใช่ชื่อต้นโพนะชื่อต้นอัสัตตพุทอสัตตพุทพอผู้เรียกไปนั่งใต้นั้นได้แตัสัตว์นั้นแล้วเปลี่ยนต้ัวสัตว์เป็นต้นโพโพที่แปลว่าปัญญาเครื่อนตต่สัูว คำโพธิตัวนี้ก็เราก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นโพธิคำาโพธิปัญญาเครื่องแต่สรู้ได้แก่สติสัมปชัญญะคือความรู้เนื้อรู้ตัวดังนั้นการที่เราทําความรู้ตัวเล็กนี่เหมือนกับเป็นมเมล็ดมันมเมล็ดต้มโพมเมล็ดนี่ถ้าเราหมั่นรดน้ําใส่ปุ๋ยพนดินไปไงสามวันมันก็งอกละโยมทําเคยทำของงอกไหมกี่วันถึงอแยงอกอสมวันเนาะ ห้าหวันก็ได้ขายอะไรใช่ไหม <c oughs> นี่นะเพะเหมือนกันมเมล็ดโพทที่ปัญญาเหมือนกันแค่สามวันห้าวันก็รื้มงอกละถ้า ง, งอกแล้วก็เอาไปบ้านแล้วก็ไปขอรดน้ำที่บ้านเป็นต้นมาที่นี่หมายขอต้นเบี้ยไปแต่ว่าไปถึงบ้านเอาไปทิ้งเฉยๆต้นโพจะโตไหมไม่โตมาที่นี่เรามาพ่อนะพ่อเบี้ยพ่อมเมล็ดโพนะพ่อมเมล็ดของปัญญาคือตัวรู้เนี่ยเป็นมเมล็ดมันทุกคนมีอยู่แล้ว แต่เราไปเพาะคือมาอันนี้ตัวตัวเล่งเหมือนอันนี้ตัวที่ยกมือสร้างจังหวะเหมือนแสงแดดความเพียรวิทยาเหมือนแสงแดดศรัทธาเหมือนฝนศรัทธาเหมือนน้ําการที่เขายันทำนี่เหมือนแสงแดดแล้วก็ที่เราได้ฟังธรรมทุกวันทุกวันเนี่ยเหมือนปุ๋ยปุ๋ยเล่งมันก็งอกไวนะ ดังนั้นเองมันก็เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่ว่าอ่มันเป็นของแบบ ล, ลอยๆไม่ใช่มันจะต้องมีรากมีเงามีเมล็ดมีที่ไปที่มานี่คือเราจะมาปลูกเพิมโพธิเรยกว่าโพธิปัญญาแต่ว่าเราไม่เรียกว่าโพธิเราเรียกว่าสติสัมปชัญญะเรียกสมาธิเรียกปัญญาคือความรู้เนื้อรู้ตัว จะรู้ ก, ก็รู้จะเดินก็รู้จะนั่งก็รู้สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะโจนกระทั่งว่ามันเกิดความเข้าใจนะทีนี้ในช่วงที่ปฏิบัติแบบเนี้ยเราให้มันได้สองอย่างกายก็ได้ใจก็ได้แต่มาตั้งแต่รู้เรื่องมืมาพศสอง2ันหาอย่สาสทำสองอย่างเลยคืออกกำลังกาย ด้วยการเจริญสติด้วยกันออกําลังกายด้วยแล้วก็ด้วยการออกกาลังใจด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาไปพร้อมๆกันก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะร่างกายของเราเนี่ยไปเป็นรังเป็นรังของโลกเป็นรังของอานิจจังทุกขังนัตตาทำงนั้นตลอดเวลาอานิจจังทำหน้าที่ออกมาเป็นสุขทุกขงังทำหน้าที่ออกมาเป็นทุกอนัตตาทําหน้าที่ออกมาเป็นไม่รู้สามอย่าง ไม่รู้สุขไม่รู้ทุกวก็ไม่รู้ทั้งสุขทั้งทุกนี่เขาเรียกว่านิจจังทุกขังนัตตาแต่พอเรามาทำนะพอเรามาทำตัวสติ อ, อนิจจังก็เปลี่ยนอะไรอลยตรงนี้จำไม่ทันนะอีกสามอย่าง อ, อี่นิจจังแปลว่าอะไรมีสยศอันนิจจังอะอนิจออนจังแปลว่าอะไรที่นักเรียนใหม่จริงนเนี่ยเข้าข้อนว่ากระหล่อพ้อยสองครั้งนึงแต่คุณต้องรู้ใช่ไห อ, อนิจจังแปลว่าอะไร เราไม่เที่ยงนะไม่ใช่เอันนี้อย่างแบบไม่ไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงมันจึงมันไม่เที่ยงนี่สบายหรือไม่สบายถ้าหลวงพ่อจะอันนั่งแบบตั้งแบานี้สบายไหมไม่สบายนะเผลอไปเลยได้ไหมเพราะมันไม่เที่ยงทะลุขึ้นป๊อปก่อนไปเลยนี่ก็เร็วไม่เที่ยงเห็นไหมเอาตั้งแล้มันเที่ยงเที่ยงตั้งไงมันตั้งเองได้ไหมกุยเนี่ยตั้งได้ไม่ได้ใจของเรามันตั้งเองไม่ได้เราก็จับมันตั้ง เจี้สามขาสี่ขาสองขาก็ตั้งไม่ได้สามขาตั้งได้ไหมก็ไม่ได้ตั้งสี่ขาเพราะนั้นการตั้งสติเนี่ยตั้งในสี่ขาขาที่หนึ่งเรียกว่าตั้งที่กายขาที่สองตั้งที่เรียในกายนี้มีความรู้ใช่ไหมความรู้สึกอะไรนั่งวานานรู้สึกไงเจ็บปวดเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเข่ ง, งตึงใช่ไหมเอาไปตั้งไว้ที่นั่นขาที่สองนะ ขาที่สามขนะนั่งอยู่นี่มีความคิดบ้างไหมมีใช่ไหมเหตนั่นนหะขาที่สามมีความคิดขาที่สี่สิ่งที่คิดเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างทั้งดีและไม่ดีส่วนใหญ่เราคิดดีแล้วไม่ดีช่วงนี้บางคนฐานจิตดีก็คิดดีบางคนฐานจิตไม่ดีก็คิดไม่ดีชั่วพูดอะไรมากมายหงุดหงิดลำคัญอืดอัดใช่ไหมอันนี้เราคิดไม่ดีแล้วทีเนี้ย เห็นไหมแล้วแต่ฐานจิตให้ดูสี่อย่างนะหนึดูกายกายนี้ขนาดนี้เราทําอะไรกายอคลืนไหวนี่ดูตรงนี้เจนอันนี้ฐานที่หนึ่งนะก็อีสีขาอันนี้หนึ่มาดูกายนั่งไปนานกายสบายไหมไม่สบายพอมเป็นอะไรเป็นอา น, นิจังมไม่สบายทุกขังมันเเกิดเราก็ไปดูทุก เย็นรอนอ่อน on, แข็งเค้งตึงเจ็บปวดเมื่อยนี่ประฐานที่สองเห็นไหมพอวันเมื่อยไม่สบายแล้วขยับแเราขยับเพลอนไหวก็เปิดฐานที่สามมันจะเคลื่อนโดยที่เราไม่คิดเนี่ยเป็นไปได้มันต้องคิดะจะทําไงมันก็คิดไปอ๋อนี่ฐานที่สามคิดคิดฐานที่สี่คิดดีหรือไม่ดีเออเมื่อบางคนอ๋ อ, มมนนอไม่ต้องเปลี่ยนมานั่งแช่อย่างเงี้ยขี้เกียจนั่งหลับ ก็คิดเหมือนกันนะถ้านั่งหลับหรือนั่งนิ่งๆอยู่มันสบายหรือไม่สบายไม่สบายความคิดออกมาก็จะเป็นเรื่องที่ไม่สบายเหมือนกันถ้ามันสบายความคิดที่ออกมาก็เป็นเรื่องที่สบายเห็น ไ, ไหมตั้งด้วยสี่ฐานดังนั้นทําบ่อยๆ อ, อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันวันนี้เราจะเริ่มปฏิบัติกันแต่สถานที่เดี๋ยวหลวงพ่อดูก่อนว่าเอาในสลาเนี่ยเป็นหลัก แต่ที่เดินเมื่อคืนเขาเอาสายมาลงหลวงพ อ, อยากจะข้างหน้าเป็นที่เดินชมกลมอนะแต่สายมาลงสายสายคงจะมาเกลีย่ยถ้าเขาไม่เกลีย่ยเราก็ช่วยกันเนาะ mm hmm. คนแล้วก็ปองสองก็ปองช่วยกันเลี่ย <c> ว <oughs> ออกกำลังกายไปในตัวนะห mm hmm. น้าเด้งก็ดูเหมือนที่กว้างนะแต่ว่าหาที่ปฏิบัติมันไม่ค่อยเรียบวะเนาะ mm hmm. หาที่ปฏิบัติ mm hmm. าฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ย รอบเนี้ยหลวงพ่อก็ไม่อยากจะให้รถเข้ามาดังเนาะในช่วงวันนี้แต่วันนี้เขาก mm hmm. ็อยๆมาเกลียดตนี้อาจจะดังบ้างถ้ารถเข้ามาแต่ถ้าไม่อยากให้มีรถเข้ามาทำให้เสียงดังเราก็ช่วยกันเขียนหลวงพ่ว่าช่วยกันเขียนน่าจะดีกว่าเนาะพราะมันจะถ้ารถเข้ามานี่โอ้โหมันก็เป็นเรียกว่ามันจะทั่วหรือเปล่าบางแหงหนาบางแรงบางเอาสายมาทำจุกลุ่มเส้นวของมัน เอามาเอาคนไหนจะเดินตรงไ้นก็ทําเส้นของตัวเองสามสิบคนก็สาสิบเส้นเลย ว, วันนี้ <laughs> เส้นยาววางสั้นวางแต่สายมาปูเขาเอาสายมาให้ลนะแล้วนะเราจะช่วยกันทําทางจุกุมวันนี้เขาถ้ารถมาเคลียก็โอเคแล้วก็มาปรับอีกนิดหน่อยถ้ารถไม่มาเราก็ทํากันเองถ้าเราปรับทีตันนี้ก็ปรับนะเวลาต้องการนั่งท่านมานั่งตรงนี้นะ แล้วก็การสําคัญเราอยู่ร่วมกันหลายคนถ้าต่างคนต่างพูดต่างคนต่างคุยนี่เสียงมันก็จะดังเพราะนั้นเราก็จะงดพูดถ้าเข้ามาในสลานี่จะงดพูดแต่สมมติมันทนไม่ไหวจริงก็ขยับไปคุยข้างนอกได้นะคุยเกี่ยวไงยังไม่ถึงเจ็ดโมงนะเรียบร้อยนะนะเนาะเพาฉะนั้นก็ในวันนี้เราสมมุติกันว่าใช้สลานี้เป็นหลักเป็นที่หลักปฏิบัติ แต่คนไหนที่ไม่อยากไปเดินข้างนอกเดินในนี่ก็ได้เพราะที่เรากว้างอยู่นั่งก็ได้มีเก้าอี้นะนั้นหลังจากที่นี่ไปเราไปรับอาหารข้างหลังหรือข้างหน้าข้างหลังนะข้างหลังนี้คือรับแล้วก็มานั่งที่เดิมอย่างนี้แหละรับแล้วก็ตะมันนั่งนั่งเสร็จแล้วก็รอเพื่อนนิดหนึ่งพอรอเพื่อนมาใกล้จะครบแล้วพระเพ่อนก็จะนําพิจารณาให้พรนะพี่ยังให้พรเพราะว่า เจ้าภาพคุอกลุมของผู้จัดเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพผู้จังวันเป็นวันวันไปไม่รู้วันนี้ใครเป็นเจ้าภาพมีไหมเขายังไม่ได้แจ้งมานะต่างจังหวัดมันจะรู้ว่าแต่ละวันคุณอ๋อเลยต่างทำลายหัวรถทะเบียนลไรหัวนะอ๋ออ๋อเอ๋ออนนี่แล้วแต่แล้วบุญกุศลเนาะแต่ถ้าหาวันไหนมีเจ้าภาพเราก็ ปฏิบัติให้พอดเขาวันไหนไม่มีเจ้าภาพพวกเราก็เป็นเจ้าภาพกันเองคนละห้าบาทสิบบาทวอทานอิมนะก็เข้าใจนะที่กับมั้บุมดเข้าใจไหมเข้าใจได้ไหมว่าให้ทำอะไรวันนี้ให้ทำความรู้สึกตัวทำที่ไหนบ้างทำในกายในเวทนาในจิตในอารมณ์แล้วก็จะ ได้ผลตรงที่ว่าใจเราสบายขึ้นแต่คนไหนทาแล้วมันง่วงเงาขี้เกียจเบือ่อเซ็งเนี่ยต้องมาบอกนะหลวงพ่อผมไม่คงเบือ่อจะเกยงไงก็มึงบอกโอ้นี่ง่วงหลวงพ่อไม่ไหวก็มาบอกกันนะดังนั้นช่วงเช้านี้เราได้ทำกิจกรรมมาหนึ่งก็คือออกกาลังกายสองทำวัดสามเดินจกลุ่มสี่ แล้วก็มาศึกษาธรรมะด้วยกันนาก็ครบด้วยสี่กิจกรรมก็ขอนอุทนาสาธุที่เราทั้งหลายจะได้ช่วยกันประคประคองการปฏิบัติของเราให้ดีขึ้นทําให้เราได้รับได้รับกุศลได้รับความสุขได้รับความสบายในการทำงานคนนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านขึ้อ่าเราลุกขึ้นเดินรอบนึ่งก่อนก่อนที่จะรับปรหารนะ เดินจบกลุ่มสักรอบนึงอาสมมณิ น, นอาผู้ชายตามมาก่อนชายตามมาก่อนสมมณิ น, นตามสมมณิ น, นพระเนินดูไปรับเองหรือโยมตักขึ้นมาผู้ชีไปจัดการว่าไงเอฟถามโยมดูดิว่าให้พระเนนไปตั้งเองหรือว่าโยมตักขึ้นมาคู่ดเดียวไม่ได้มาบอก เราจะเดินดูเดี๋ยนะ่าเดี๋ยวหลังเน้นเนินตะ ก, กอนเราเดินตามเราเดินต่อนะตามมาโยงเดินต่อให้พเนินตะกอน <c oughs> เดินเดินกลุ่มรอบมาก่อนครั้งเราไปเดินตามก็ให้ทันนะนทิ้งช่วงห่าง จะเห็นว่าเทา้ากับพื้นก็ไปรู้ที่เทา้ารู้ให้ชัดๆว่าเท้าเหยียบยิให้ใจลอยถ้าใจเราลอยเราก็สติก็ขาดการยกการเหยียบพอเหยียบไปแล้วความรู้สึกตัวมันตึงขึ้นไปถึงแข้งขาไปถึงหัวไหล่ไปถึงเอวไหมเห็นชัดๆตรงนั้นเรียกว่าสติสัมผัญญักเกิดละถ้าเดินไปใจลอยๆล่องๆไปก็ไม่มีสติ ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สติสัมญาก็เดินฟรีเฉยๆนะอ่าอุบยสุไปต่อสัมเนธขึ้นทางโน้นางโน้นกลับมาขึ้นขึ้นทางนี้ต่อสัมเเลยบยสุกไปต่อสัมเนอุบาสิกามรดี้ตให้บ